นี้ตั้งแต่ลงพอมาอยู่นี่ยี่สิบกว่าปีแล้วปีนี้ผิดปกติฝนโมโตก๊กบนไปฝนตกบ่ไหลตั้งแต่ปีนี้มาหน้าม่าท่านเครึ่งฟังสักเถื่อเลยห่วยห่วยล่างเขาเลยแต่ว่ามันกระลองห่วยอยู่หรอกว่าน้ามระองห่วยอยู่แต่บกเครึ่งฟังมาอยู่นี่เป็นเมื่อไรเป็นปีที่ยี่สิบเอ็ดเลยปีปีนี้ถือว่าแห็งแรงกว่าทุกปีที่ผ่นานๆมา เดือนสิงหาแล้วฝนยังมาท่านเล่งสักเทือ่อนกนไปว่ามือเศร้านี่ไปบินถ้บาตยังบอกมันผู้หญิบ้านวาตีคอวางในหน้าไวน่งตีคอมาเลยจับฉลากมันแม่แรงยกยกับผู้ใดไวนมันโง่ใสสิมีแม่แลงยกกับผู้ใดผู้หนึ่งในกฉลากผูห้หเป็นยังงกบรผ้จกฉลากจับถือถึงสามเื่อบาดนี่พูดนะเอาไปวัามาดมัดไว้ไก่ เอาไปชงมองหน้ามถ่วงคนนะ่ะมองได้หน้ามถ่วมไปว่าไปไหวพุ่นมาให้มันแรงอยู่พุ่นมันลงไป <c oughs> เป็นในกระทั่งมุกดาหารไปพุ่นนะแย่แล้วนี่แหละลงพอป้องบุญวัดสนามบาลมีเลยมันมีอีหลี้ด้ยขั้นปีใดเข่าละข้าแพ่งจะได้เฮ็ดหน้าให้มันได้เข่าขายผัดฝนแรงซะทังสี่แหล่ามันไปเยาว่ามันบ่มีบุญมัออกไปขั้นทาว่าปีใด เขาละค่าถือผลผลดีหมดลงไปเขาโพดขึ้นกันคันปีใดละค่าดีเขาโดพดผดแหลงเขาโพดาน้ำถ่วมเอคันปีใดราค่าเขาโพดมันขึ้นมันมีอันเป็นไปหมด่งไปคันว่าปีใดเขาโพดมันถึกเขาโพดผลลายโพดปลูกได้ง่ายหมดลงไปอันนี้แ่ะ พ่นวาบุญวัดาสนาบาลมีเนี่ยมันตางกันหลวงปู่สิงห้องพันยังบอกเป็นนิท่านให้ฟังสองผัวเมียนี่ยพิสกันทะเลาะกันอยู่เรื่อยว่าเนี่ยสองผัวเมียทะเลาะกันจนลูกขะเที่ยวดาหยุหัวเฮื่อนจนล่ำข้านกันออกไปมามีลูกเด้กผัวเมียกับตีผัวผัวก็ตีเมียกันออกไปกันผัวเมียเนี่ยกูยุ่งนมบข้าเนี่ยนะพันวา กมันอยู่น้ำผู้อื่นแต่งานของผู้อื่นกูกัสิรยกูนี่อยู่คนวะอันนี้มันกูอยู่รมึงนี่ยมันยังถูกยังยากนวะทั้งผู้ผัวของยูน้อีห้าเนี่แหละคนวะกามันอยู่กับผู้อื่นก็ทำไมมิให้มน่ายให้กูเฮ็ดจุดอกนวเอามาเทียงกันนออกไปจนลูกค้าเที่ยวดาอยู่หงเฮื่อนล่อาขั้นวนออกไปกูสีซอยจังนะไอ้ซอยคู่เ่นือจิรำจิรุ้ยมันเจ้าเทียงกันนะันเดียว่านี่ลูกค้าเที่ยวดารักษาจอมปลวกอยู่หลังบ้านนไป ก็เลยไปหาไดหาเงินหายเงินหายทองกันไปเนี่แต่ว่าสองคนนี่ขั้นมือได้มือนึงก็ไปหาแรนมือนึงกัไปหาเตาไปไปหาเตาหาแรนมาแหลกเข่ากันไปเอีคือกันกับไท่ขามหาเอาหาเข่าหาอยังมาแหลกน้ำผู้ไทสมัยก่อนกอนไปไปหาเตาหาแรนเมาแลกข่ากินกัน วันน้เที่ยวดาก็เลยว่ามันคือนจิตมืออื่นมันก็จะไปหาเตาบ้างเลยเอาไห้เงินไห้ท่องไปไหว้างทางกานไปเราไปตั้งไหวจุกปลุกมาหน่อกไปไปมึงจะได้เห็นมืึอจะไดเปิดเพิงมึงจะไดเอาเงินเอาท่องมาอุจจะไดขายออยู่ในขอบครัวมันก็ดิเศ้าจมเศ้าวายกันนั่นลูกค้าเที่ยวดาวันบ้านห้าม้อันนั่น มือนั้นกับ่หาเตาใ่ไไปหาแห่นเลี้ยวขึ้นท้้งฝา่าคนบ่มีวาสนาเนี่นลวคือหาแต่คุณยางกายใสยนะลูกค้าเที่ยวด่าโ้กูสิเอาจังไร น, นอนลยใส่เหมืออื่นมาว้ามันขึ้นยังเหลียวขึ้นฝา้นฝาดูแทบจะบักเนีวเลยไปไปแขนสงาไหม่ไว้บา้นานหันท่ามืออื่นมาผมไปกูซูกูซูร่มก้มจนยืได้ดินวันไปได้โบกีเหลียวขึ้นฝา้นฝาจักเถื่ออีกวันน่เอเอาไปมากอะไร บ, บร่ไน เ่อเห็นใ ห, ให้เงิน่ให้เงิ น, ใ ห, งนให้ท่องอะไรอีกคนหนึ่งไปวันนี้ลูกค้าเที่ยวดาก็เลยแปลงตัวเป็นคนมากบาทเลยบาทนี่ก็เลยบอกว่าเจ้าจากได้เงินจกได้ท่องมาโว้ยก็จกได้อะไรมันถูกมันยากก็รอก็เดียยวเท่าะะนั้นเลยเอา้าคอยจะให้นานาเก่งเจ้าเลยนี่อ่านาเก่งเจ้าก่อนเจ้าที่ยิ่งเจ้าต้องอธิษฐานเจ้าก่อนเนอะเท่านีน้สาธุเดอ้อบุญบารมีของขับไปเจ้ามี อะไรกันให้ลูกนายิ่งขึ้นทั้งฟ้าเนี่ยตกลงมาอใส่แผ่นห้แผ่นหน้ากัให้ท่องคําเงินท่องเต็มให้เต็มทงเต็มเท้าเอาเถอะเนี่ยามาตกใส่น้องไงเงื่นท่องตกเต็มหนองเต็มบึงเต็มหนองเอาเถอะเนีให้ตั้งจิตอธิษฐานเจ้าก่อนยังคอยิ่งขึ้นฟ้าเอาเถอะเนี่บาทนี้กับสองโพมีอาบางคนได้หนาเก่งกับไปแล้วเนาะไปเขาหมองทงกล่งกว้างไปแล้วเนาะไปทงหน้ากงกว้างไง ตัง้งคิตอธิษฐานนะอาถุเดอระเนี่ยคันผูกขามีบุญวาสนาบาลามียิ่งหนาเก่งคือนทั้งฝ่าลูกตกมาเหันเต็มตกใส่ให้หน้าเงื่อนท่องเต็มให้เต็มทงเต็มหน้าเด้อ่นวะพอวอ่ที่ทานเจคือยิ่งหนาเก่งปักขึ้นไปทั้งฝ้าพอตกมาลีลีลีลีตกปักมาตกไปตีไปถือกีบมากระบกทงว่าผมมือนี่ยเรานเานี่ยเออหัวใจที่ตอกีบมากระบกตกปักสเสียพานวนไป เล่ดิงเงื่อนทอนันแล้วน่ะไปเนี่ยว่าคนบ่มีวาดช น, นะ mm. เ, นนเอานล้ไปเฮ็ดยังไงเอมันก็บกขืนบกเกินวะน่ะไปคนบ่มีบุญมาไงไอขคนมีบุญนเฮ็ดนั้นจับไปยังมันขืนมัดเด้ทำมาค่าขายยังก็บขืนจับยังก็เป็นเงินเป็นท่องเออมีท่างไปได้วะน่ะไปไอข้นบ่มีวาสนาเนี่ยปิดตันอั่นตูวน่ะไปเฮ็ดนั้นก็บกขืนบกเกินเพราะเหตุใดเพราะบกเคยทำบุญไว้ในอดีตชาติคนมา คนที่ทำบุญไว้อดีชัดเนี่ mm hmm. ยด้วยสรั่งบุญกุศลไว้มันเป็นมันไปวะน้นองย้าป็ยังมั่งคพ่อเป็นพ่อไปไปได้เอาน่นไปอันนี้ทรงสิทธท่านพผนว่าบุคคลประมาทใจใจของคนนี่มองบ่เห็นแต่มันมีฤทธิ์ mm hmm. บังคับให้ร่างกายเฮ็ดยังก็ได้บุญกุศลคือกันมองบ่เห็นแต่มันมีฤทธิ์ ทานหุ่ภาพบันรนบันดาลในข้นมีนนความสุขความทุกข์กใดเพราะนั้นเพิ่นยังให้สร้างบุญกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเข้าพราะนั่นย่าประมาทว่าสิ่งเหล่านั้นบัมีมันมีคนไปคนเกิดมามันบกคื่อกันเพราะเหตุใดเพราะกาันผู้มืน่นเขาก็บเบิ้งอยู่แล้วการเป็นอยู่การคิดกันกระทํามันกระโ บ, บคื่อกันเพราะนั้นเกิดมาพบนาชาตินาจะให้คื่อกันมันบกคือกันเน่ ต่างกันอยู่เอาเบิงเป็นยังคนรมากเกิดในเมืองไทยเนี่ยหาหกสิบล้านเนี่ยจับมาเลี่ยงกันมัเนาะมันคือกันบ่มันบ่คืดกันมันไปคือกันมัดทุกอย่างยกแขงขาตีนมือนาตาครบมัดแต่มันบ่คืดกันแต่ค่อยค่ายๆกันนะมอยู่งมันไปบางที่ลูกแฝดจริงๆก็คือกันอยู่ลูกแฝดจริงๆเป็นตั้งจิตอธิษฐานเหตุยังคือจะเป็นเห็ดน้ากันนอนไปทําบุญก็ทําบุญน้ากันคิดกับคิดให้ ให้แนวมีแนวคิดเดียวกันเนี่ยมาเกิดมันก็เลยคือๆกันเดียวไปการนอกจากการต่างคนต่างเกิดมันยากอยู่แล้ลูกพ่อแม่เดียวกันกรบโบคืดกันบอบ่ล้อ ม, มันเดียวกันกรบโบคืดกันเพราะเหตุใดเพราะความคิดของคนมันคนละคิดคนละยางกันการกระทําเหนคนละยางกันการพูดกายกรรมวิจีกรรมมโน ก, กรรมการกระทําร่างกายว่าใจาใจก็ตัางกัน ก่อนหน้นมันยังต่างกันวันไปเกิดมากกับต่างกันการเป็นโยกกัต่างกันการข้องชีพบอลบุญวัดสนามบาลมีก็ต่างกันเพราะนั้นพวกเฮาอย่าไปเหตุเลยทั้งแนวท่านมันบดีนะเหตุแต่นแนวมันดีเกิดพบนายชาตินามันมีนมได้โมเมนต์พบนี่ชาตินี้ได้มือว่านไหนมีบอลมือว่านมือก้อนมีบอลมือนีมีบอมืออื่นมือฮื้อมีบอล มือเอื้นมือหื้อมีบ่อมีอมันมีจย่างไหนมันบอทันหอดหน่อยเนี่ยมันบอหอดมาก็มีนี่อันนี้ขึ้กันอันดี้ชาติเท่ามีบ่อมีประชารปัจจุบันมีบ่ออนาคตชาติเท่าเนี้มีบ่มีบ่มีอย่างไหนเนบ่มีเนี่พรตายจากชาติเลยก็ไปเกิดอีกวันไปในชาตินามันมีเลยวินญาณขึ้นใจนี่ยนะภาพไปเกิดวันไปเพราะนั้นกรรมดีกรรมชั่วกับภาพใจต้องถัดไปเกิดผู้ได้สร้างบุญไหวกับบุญ เป็นผูนุนเปรย์ทำชั่วชั่วหนุนนไปเพราะนั้นต้องสางบุญบารมีไปการสางบารมีกันไปกับคึ้กันกับสองผัวเมียนะ่เกิดบานอะไรกันทุกอยาก่างเกิดเที่ยงกันผัวเมียกัติผัวผัวกัตีเมี ย, มยบ้าแทบคุ้มค้นมีวัดาสนาทั้งครูไปคนมีวาดาสนาเนี่ยมึงถึงกันข้ น, น, เ น, เนเนี่ยนะเอาราับพรนะบ้านไอ้เนี่อนโมตนาหายพร